อย่างพิสดาร อ, อ, อย่างพิสดารพระพุทธศาสนากล่าวถึงทานกถาที่นี่กระทู้ทั้งหลายคือกระทู้กายกระทู้วายจากระทู้ใจถ้าว่าเป็นสามถ้าว่าเป็นสองก็กระทู้กายกระทู้ใจ นมโมพิศดารก็นมโมออกไปจากใจกระทู่พิศดารก็กระทู่ออกไปจากใจถ้าจะยอ่อก็ยอ่อลงมาหายใจพุทธภาสิทธก็ดีเทวตาภาสิทก็ดีสาวกะภาสิทธ์ก็ดีสาวิกาภาสิท์ก็ดีพาสิททั้งหลายก็ออกไปจากใจเราทั้งนั้น เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องใดๆก็ใจเป็นผู้ทารรทั้งนั้นเรื่องดีเรื่องชั่วก็ใจเป็นผู้ทาเรื่องย่อเรื่องพิสดารก็ใจเป็นหัวหน้าเขาย่นลงมาที่นั้นจะพูดวันยังค่ก็พูดออกไปจากไกาจะเทศอยู่ 45, สี่ชั่วพันษาก็เทศออกไปจากไกาจะเทศยาวหรือสั้นก็เทศออกไปจากไกาถ้าจะย่นก็ย่นลงมาหาใจ ย้อไปที่อื่นก็ไม่ถูกทำบุญมากก็มากอยู่ที่ใจทำบาปมากก็มารวมอยู่ที่ใจจะเว้นใจไม่ได้นั่งก็ใจพานั่งคนตายนั่งไม่เป็นเดินก็ใจพาเดินยืนก็ใจพายืนคนตายยืนไม่เป็นเหตุฉะนั้นทานวัตสีลวัดภาวนาวัต เมื่อทำแล้วก็มาอยู่ที่ใจจะทำน้อยหรือว่า ก, ก็มาอยู่ที่ใจจะทำดีหรือชั่วก็ใจเป็นผู้ทำเนสจะนั้นจึงไม่สงสัยในเรื่องใจใจพระผู้เป็นเจ้าใจเป็นผู้สร้างขึ้นทำดีก็พระผู้เป็นเจ้าใจทำชั่วก็พระผู้เป็นเจ้าใจสร้างขึ้นจะให้พูดพิสดารก็พิสดารสักเพียงไหนก็ยอดลงมาหายใจทั้งนั้นจะพูดถึงแปดหมื่นีพระธรรมาขันก็ พูดยาออกไปจากใจย่นลงมาก็ย่นลงมาหายใจทำดีก็ทำให้ใจทำฉลองใจทำชั่วก็ทำฉลองใจทำบุญต่ออายุก็คือต่ออายุของใจก็ถือต่ออายุของบุญอยู่ที่ใจทำบาปก็ต่ออายุของบาปอยู่ที่ใจไม่ได้ต่อไปที่อื่นใจแต่ละท่านละคนมีอิสระทุกๆ ท, ท, ท่าน จะทำดีก็ใจเป็นผู้มีอิสระธรรมจะทำชั่วก็ใจเป็นผู้มีอิสระธรรมใจของมันของใครของมันก็ได้รับเหตุผลของใครของมันทางดีทางชั่วจะทิ้งให้ผู้อื่นไม่ได้ก็ใจเป็นผู้รับของใครของมันนั่นเองเพราะผู้พุทเจ้าใจเป็นของสำคัญมาก mm hmm. พระบรมศาร า, าเทศอยู่สี่ที่ห้าพรรษาก็เทศใจเราทั้งนั้นรวมลงมาหาใจสีลห้า ก็รวมลงมาหาใจเหมือนกันสิ้นห้าตัวถ้าไม่ละเมิดก็รวมลงมาหาใจเป็นเชือกข้าเกลียวอยู่ที่ดวงใจเทศไปไหนมันก็ไม่ไปจะเทศยาวก็ยาวออกไปจากใจจะเทศสั้นก็สั้นออกมาจากใจผู้จะเข้าใจก็คือใจเป็นผู้เข้าใจผู้ปฏิบัติก็คือใจเป็นหหน้ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติก็คือใจเป็นผู้ไม่ปฏิบัติเพราะใจเป็น อิสระแล้วนะพระผู้เป็นเจ้าใจจะสร้างขึ้นเราจะสามารถทำดีหรือเราจะสามารถทำชั่วก็ขึ้นอยู่กับใจไม่ขึ้นอยู่กับดินฝ้าอากาศภายนอกจะกาวตูไปทางอื่นก็กาวตูลมๆแรงๆไปเขาก็ไม่รับไม่ปัดอะไรเลย จะกล่าวตูวไปหาวันเดือนปีวันเดือนปีก็ไม่รับผิดชอบด้วยจะกล่าวตูวเวลาชั่วโมงขณะวินาทีเขาก็ไม่รับผิดชอบด้วยก็ใจเองเป็นผู้รับผิดชอบตนเองจะปฏิเสธให้ใครก็ไม่ได้จะรู้ตัวหรือไม่ไม่รู้ตัวก็ขึ้นอยู่กับใจความผิดจะทิ้งไปที่อื่นมันก็ไม่ไปมันก็คืนมาหาใจ ความถูกจะทิ่งไปที่อื่นมันก็ไม่ไปมันก็คืนมาหาใจของใครของมันนั่นเองคืนมาโดยร่วตัวหรือไม่ร่วตัวมันก็ขึ้นอยู่กับใจที่มีสติปัญญาถ้าใจมีสติปัญญาก็รู้ว่ามันคืนมาหาใจอถ้าใจไม่มีสติปัญญาก็ออกนอกประพฤติประคือไอ้จะแทะกับตัวใจนั่นเองเดือดร้อนก็คือใจเป็นผู้เดือดร้อนรับสุข ก, ก็คือใจเป็นรับเป็นผู้รับสุขเรื่องสุขสุขนี่ยังไม่มีเมืองพอ ใครก็ต้องการสุขเหมือนกันคนตายมันไม่มีวิญญาณอยู่ที่นั่นมันก็ไม่รู้จักสุขจะทุกข์อะไรทำดีก็ทำให้ใจทำชั่วก็ทาให้ใจอยากเข้าใจว่าไปทำให้สัตอื่นอุทิศบุญกุศลให้ผู้อื่นผู้อื่นก็ได้บุญใจเจ้าของก็ได้บุญเหมือนกันปฏิทานทำไมาบุญเฉเี่ยด้วยการให้ส่วนบุญการทำบุญมีอยู่3อย่าง อ ย, อย่างย่อทานะไม่บนสําเร็จด้วยการบริจาคทานตามสติกําลังของตนเท่าที่มีอยู่อันเป็นของบอริสุทธิ์ที่หามาได้ไม่ได้รักฉกฉกห่อมาศีละไม่บนสําเร็จด้วยการ ร, รักษาศีนก็ ร, รักษาใจนั่นเองศีเป็นผู้ ร, รักษาใจเป็นหัวหน้า ร, รักษาภาวนาไม่บนสําเร็จด้วยการเจริญภาวนา ภาวนาพุโทโธธโมสัสงโฆก็ดีลมหายใจเขาออกก็ดีก้อใจเป็นหัวหน้าทางนั้นอภิจายะนาไมมันสําเร็จด้วยการประพฤติถ่อมตนแก่ผู้ใหญ่อันนี้ก็ใจเป็นผู้ประพฤติถ่อมตนมันวิ ย, ยาวัจจะไม่มันสําเร็จด้วยการช่วยขนขวายในกิตที่ชอบปฏิทานามัยมันสําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญทําบุญแล้วอุทิศให้ปวงโลกทั้งเส้นหรือให้ท่านผู้มรณะภาพไปก็ใจเป็นผู้อุทิศ แต่เขาจะได้รับหรือไม่ได้รับใจก็ได้บุญอยู่ตามเดิมตามส่วนคนค่าของเหตุที่ทำน้อยนะมากธรร ม, สมะสวรรคมใยม่บนแทบใหญด้วยการฟังธรรมฟังธรรมก็คือฟังใจผู้ฟังก็เอาใจฟังผู้เทศก็เอาใจเทศตกลงก็เรื่องเทศเรื่องใจฟังเรื่องใจอันเดียวกันเพราะคนตายฟังไม่เป็นคนตายก็เทศไม่เป็น ธรรมเทสนามัยบนรรเสบียการเทศนาทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงตามความเห็นให้ตรงคือเห็นว่าอย่างไงเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีคุณครูบาอาจารย์มีคุณมรกผลนิพพานมีนรกมีสวรรค์มีดังนี้เรียกว่าทิฏฐุชุกรรมการทาความเห็นให้ตรง ก็เป็นบุญกองหนึ่งท่านผู้ใดทำความเห็นให้ตรงว่าถือว่าบาปมีบุญมีก็ได้บุญอยู่ทุกวันผู้ใดให้ทานรักษาศีลภาวนาก็ได้บุญอยู่ทุกวันบุญพระเอกสันโดนบุญอะไรก็ตามเอาชื่อคนอื่นมาพูดเพื่อให้เราปฏิบัติเฉยๆทำบุญอยู่ในวัดวัดก็ไม่เอาก็จิตใจเป็นผู้เอา ทำบุญอยู่ในบ้านบ้านก็ไม่เอาก็จิตใจเป็นผู้เอาทำบาบก็เหมือนกันทำบุญฉลองสะพานสะพานก็ไม่เอาใจเป็นผู้เอาทำบุญในในเวลาเดินภาวนาเดินอย่างนี้ขาก็ไม่เอาใจเป็นผู้เอาภาวนาในรถในเรือรถเรือก็ไม่เอาใจเป็นผู้เอาทำดีอยู่ที่ไหนก็ดี ลมๆแรงๆก็ไม่มาแย่งเอาบาปและบุญกับใครเลยก็อใจเท่านั้นเป็นผู้ได้ขอให้เข้าใจอย่างนี้จริงกรรมยัดเรามีอิสระทางทำดีหรือไม่ใครมาจีดขวางเราว่าตาหูจมูกลล่นเขาก็ไปในมาจีดขวางนอนอยู่ทำบุญเป็นไหมนอนภาวนาพุโทโธก็ได้บุญเหมือนกันแต่นอนทำความผิดก็ได้เหมือนกันเพราะนอนนึกจะไปรักศกจกหอเขา นอนรอบจะฆ่าเขามันก็บาปเหมือนกันนอนรักของเขานอนกับเมียเขาผัวเขามันก็บาปเหมือนกันนอนได้บุญก็คือนอนภาวนาถ้าจะมีแต่นั่งขัดสมาธิจึงจะได้บุญอย่างนี้มันก็ไม่ทันเวลาเรานึกจะไปฆ่าเขาเราไม่นั่งได้นั่งสมาธิเราจะนึกไปรักของเขาเราก็ไม่ได้นั่งสมาธินี่นั่น จะคอยเอาแต่นั่งสมาธิหน้าเดียวมันก็ไม่ทันกับกิเลสนั่นยืนเดินนั่งนอนทำบาปได้ทางนั้นยืนเดินนั่งนอนก็ทำบุญได้ทางนั้นนั่นนั่นยืนเดินเดินนั่งนอนทำดีได้ท้งนั้นก็ทำชั่วอะไรทางนั้นเหตุฉะนั้นการทำดีก็ทำได้ทุกเวลาเว้นแต่หลับไปซะ การทำชั่วก็ทำในทุกเวลาก็เว้นแต่หลับไปสัะเหตุฉะนั้นจึงรู้จักในเวลาทำบุญวันคืนกลืนกินเวลาของเราอยู่ทุกวันทุกวันกลืนกินเวลาของสัตว์มาแต่ดึกดำบรรยังไม่อิ่มเลยยังจะกินอยู่ทุกวันทุกวันเดี๋ยวนี้ก็ใกล้จะตายกว่าเมื่อเช้านี่ใช่ไหม สวัสดีปีใหม่แต่ว่าใกล้จะตายกว่าปีกายนี่ใช่ไหมนักทำดีทำชั่วไม่ต้องหาเวลาเวลาโอกาสเวลาไหนก็ทำได้ทั้งนั้นผมดิฉันไม่มีเวลาจะทำแต่เวลาหายใจมีอยู่เมื่อเวลามีเวลาหายใจได้ก็ทำดีได้เหมือนกันก็ทำชั่วได้เหมือนกันนันแต่เวลาหายใจทำไมจึงมี เมื่อไม่สิ้นลมปรานก็มีเวลาหายใจอยู่เอ้ข้าข้ากำลังหายใจอยู่ทำไมได้ดอกอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเวลาทำดีมีถมไปเวลาทำไม่ดีก็มีถมไปชนะความชั่วของตนด้วยความดีของตนชนะความมันของตนด้วยความขยันของตนชนะความเกียริ ชนะความโง่ของตนก็ด้วยความฉลาดของตนชนะความขี้เกียจก็ด้วยความหมั่นชนะความไม่เพียรก็ด้วยความเพียนของตนชนะความโกรธของเราด้วยความไม่โกรธของเราชนะความจองเวรของเราด้วยความไม่จองเวรของเราทำคำสอนของพุทธศาสนาไม่เป็นของเหลือวิสัย ถ้าหากว่าเป็นของเหลือวิสัยก็คล้ายๆกับว่าเราไปกล่าวตู่พระบรมศาสด า, า, าเป็นคนโง่ของเหลือวิสัยก็มาสอนมนุษย์บ้าเกิงๆใครก็พูดอย่างนั้นนี่มันเป็นของไม่เหลือวิสัยพอที่จะทำได้ท่านจึงมาสั่งสอนเรามาปลดอาวุธเราอาวุธที่ลูกหลานทำอยู่ทุกวันนี้ถ้ามันไม่ถูกก็ปลดทิ้งซะอาวุธปานาติบาศ อาวุธอธินนาทานมันอยู่ที่ใจของพวกเธอพวกเธอต้องผดซะพระบรมศาตรากาเมสวร์ฉาจาร์อาวุธอันนั้นก็ไม่ดีเอาอาวุธอันที่ไม่ร่วงประเวณนีเอาอาวุธอันที่ไม่ฆ่าจัดรักรักย์ประพฤติผิดในกามนั้นเข้ามาอยู่ในจิตในใจของพวกเธอทั้งหลายจิตใจของพวกเธอทั้งหลายเป็นมนุษย์เต็มภูมิไม่สมฐานะที่จะไปเบียดเบียน ให้ผิดศีลผิดธรรมไม่ีเวลาพอที่จะเอามาปฏิบัติได้พระบรมศาสตราไม่น้อยก็ต้องมากท่านพูดอย่างนั้นรักตนรักษาตรรักพวกรักชาติรู้จักคนดีรู้หนีคนผ่านรู้จักใช้จ่อย่ยาใช้ฟุ่มฟายจงปรองบากบันมันเพียงแก้ไขเพียรหารายไว้รายได้เพื่อให้ตนดี อ, อยมุกทุกประเภท เป็นมนุษย์วิบัติเนออย่าพาเขาไปร่วงละเมิดนั่นพระบรมศาสดาสอนแล้วเมื่อเป็นมนุษย์วิบัติแล้วก็เป็นสวรรค์วิบัติก็เป็นพรหมวิบัติก็เป็นนิพพานวิบัติไปในตัวถ้าไม่เป็นมนุษย์สมบัติไม่เป็นมนุษย์วิบัติแล้วก็เป็นมนุษย์สมบัติก็เป็นพรหมสมบัติก็เป็นนิพพานสมบัติไปในตัว นอกจากไจ ก, ก็ไม่มีอันใดจะรักไกนอกจากไกก็ไม่ไม่มีอันใดจะทำผิดใจใจมีคุณเป็นมหันต์แต่ก็มีโทษเป็นอ น, นันต์ถ้าทำไม่ถูกถึงกลับไปผูกคอตายแต่ใจมันไม่ตายกายมันตายซะ <c oughs> ถ้าทำถูกก็เป็นหนทางไปสู่สุขติ ถ้าทำไม่ถูกก็ไปสู่ทุกขติสิ่งไหนที่ทำใจให้เดือดร้อนสิ่งนั้นอย่าไปทำเนื้อพอราบรมศาสด า, ศาสิ่งไหนที่ทำให้ใจสบายให้เป็นประโยชน์แก่ตนและท่านผู้อื่นจงทำเถิดสิ่งไหนที่เบียดเบียนผู้อื่นสิ่งนั้นก็เบียดเบียนตนอยู่ในตัวนั่นเองสิ่งไหนที่ทำประโยชน์แก่ตนได้สิ่งนั้นก็ทาประโยชน์แก่ผู้อื่นได้เหมือนกัน กรรมอะไรที่เธอทั้งหลายทำแล้วมันเดือดร้อนภายหลังเธอทั้งหลายอย่าไปทำอีกน้่พระบระมีศาสนาอันนั่นแหละเครื่องทดสอบบาปสิ่งไหนที่เธอทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังสิ่งนั้นจงทำเถิดบางคนวุ่นวายมาแล้วก็ดื่มสุราดื่มสุราเพื่อให้มัน หายความวุ่นวายไอ้ที่แท้มันยิ่งไปบวกเขา้าตังค์ก็เสียเวลาก็เสียร่างกายก็อ่อนเพลียมันเพิ่มเขา้าไม่ใช่ไปแก้มันเพิ่มมันอีกเวลาก็เสียไปทรัพย์ก็ชิบหายเมาไปอกีกเพราะผีบ้าถือว่าเบาเอาซื้อถือว่ามันสะดวกแต่พอหายบ้าแล้วมันก็เสียดายเงินใช่ไหมนั่น เสียดายเวลาอีกเสียด้วยโทษเทงการดื่มหน้าเมาหนึ่งเสียทรัพย์สองก่อการทะเลาะวิวาทสามเปิดโรคสี่ต้องติเตียนห้าไม้โบจัดอายหกทรนกำลังปัญญาพระบรมศาสดาประสบมาแล้วจึงได้มาสอนพวกเรา คำสอนใดๆในไตรโลกธาตุจะเหนือคำสอนพระพุทธศาสนาไม่มีเลยการเทศมันเป็นของเทศยากเนอะให้พระอานนท์ไปเทศเขากติว่าพระอานนท์ปาราบเแต่พระสูตรยาวเยียดเต็มทีให้พระ ตาณีบุตรไปเทศเทศแต่เรื่องปัญญาอันละเอียดออนใครจะเข้าใจเทศแต่ปรมัติ์ให้พระโมคขลาไปเทศก็อวดแต่ฤทธิเดชให้พมันตานีบุตรไปเทศก็บอกว่าเทศรัตัดตอนอขยายความจะย่อพิจารเกินไปยอ่อความพิดารมาให้อ ก็ย่อเกินไปไม่ถูกกับจริตับจีิตคนเลยการเทศไม่ใช่ของง่ายเนอะลบากเหมือนกันคนหนึ่งต้องการอันหนึ่งคนหนึ่งต้องการอันหนึ่งแต่จะอย่างไรก็ตามคำสอนแต่ระบทระบาดมันก็เป็นคำเทศทั้งนั้นผู้ที่ทำผิด ผู้จับไฟก็พระอาจารย์ไฟเทศให้แล้ว <c oughs> เพราะมันร้อนอาจารย์ไฟมันเทศอยู่ในตัวมันผู้เล่นอับอายมุกมันฉีบหายอาจารย์ฉีบหายก็เทศให้ฟังแล้ว <c oughs> ผู้ที่ด่าเขาเขาด่าตอบอาจารย์นั่นก็เทศให้ฟังแล้วถ้าเบียดเบียนเขาเขาก็เบียดเบียนตอบอาจารย์นั่นก็เทศให้ฟังแล้วอ เกิดมาแก่เจ็บตายอาจารย์เกิดก็เทศให้ฟังแล้วอาจารย์แก่ก็เทศให้ฟังแล้วอาการอาารเจ็บก็เทศให้ฟังแต่ผู้ฟังเทศกับผู้ปฏิบัตินั้นหายากแต่นักเทศไม่หายากเลยความแก่ก็แก่อยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนความเจ็บก็เจ็บอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนหายใจกันความเจ็บใช่ไหมถ้าใครว่าไม่เจ็บก็รองอัดจมูก จมูกดูสิเนี่ยดีดเข้ากันบรรเทาความตายบรรเทาความตายหายใจเข้าหายใจออกเปลี่ยนอิริยาบถก็บรรเทาความเก็บปวดมั้งเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็แปลงไปแปลงมาให้อยู่นิ่งให้ภาวนาอยู่นี่งนึ่งจริงๆดีดเข้าเนะี่ยเพราะมันอยู่ไม่สะดวกมันมันมันเป็นทุกข์มัน ให้ภาวนาอยู่นิ่งๆงเดี๋ยวมันก็อยากพลิกหน้าพลิกหลังอยากไปอยากมาเพราะมันเป็นทุกข์นั่นเปลี่ยนอิริยาบถก็คือเปลี่ยนทุกข์นั่นเองเหตุ mm hmm. He, ฉะนั้นท่านจึงสอนให้ยืนเดินนั่งนอนภาวนาได้ทั้งนั้นทำมุนได้ทั้งนั้นนอนไหมความไม่หลับหลับแล้วก็เป็นเรื่องของหลับไปกินก็ภาวนาได้เรากินเข้าไปนี่เราจึินข้าวกบน้าลายอ เราว่าอร่อยดีต่อพวกนี้เรากบวดนำลายปิดปิดใช่ไหมนั่นะให้คะแนนอยู่คืนหนึ่งให้คะแนนอยู่วันเดียวเท่านั้นแะอะไรจริงจริงแต่ว่าถายออกแล้วก็เหม็นจริงจริงนั่นให้คะแนนกันเดี๋ยวก็ลบกัน น, น, นักเทศท่านั้นแ่ะเราทำไมจึงปฏิบัติศีลธรรมพระกิเลสเรามี พระบรมศา ส, สนาสอนให้ห้ามเบรดกเิเลสถ้าไม่มีกิเลสถ้าว่ากิเลสไม่เบาบางแล้ว่กฎหมายจะตั้งเท่าใดมันก็ไม่อยู่เนอเหตุฉะนั้นการปฏิบัติศีลธรรมจึงมีทำเป็นโลกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าโลกไม่มียาอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้ว จะเอาอะไรมาห้ามเบรกห้ามรั่วมันก็ไม่อยู่ทําความชั่วในที่แจ้งก็ไม่ได้ก็ไปทําในที่รับเท่านั้นเหตุฉะนั้นการปฏิบัติจริงรำจึงมีถ้าไม่มียายอายต่อบาไม่มีความกลัวต่อบาแล้วกฎหมายจะตั้งไว้กี่หมื่นๆล้านก็ตามมันก็ไม่อยู่เหตุฉะนั้นการปฏิบัติทำจึงมีในทางพระพุทธศาสนานถ้าโลกทั้งหลายเรอายต่อบากลัวต่อบาและมีศีลห้าบริบูรณ์แล้ว การลบราค้าฟันก็ไม่มีสงครามก็ไม่มีโจรผู้ร้ายก็ไม่มีตำรวจทหารก็ไม่ต้องมีถ้ามีชิ้นห้าบริบูรณ์แล้วในไต่โลกทาตแต่บัญญัติไม่ตรงกันเสียแล้วพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็มาบัญญัติชิ้นห้าก็มาบัญญัติความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปจะมีกี่รานรานพระองค์ก็มาบัญญัติอันเดียวกันไม่มี อไม่มีข้อยแย้งแข่งกันเลยเพราะมันดีพอแล้วไม่มีที่จะลบล่าไม่มีที่จะเพิ่มขึ้นอีกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แต่พวกเราชาวโลกอวดดีต่อพระพุทธศาสนามันก็มีแตจท ะ, ะเวทะเลภยัยทะเลน้าตาอยู่นั่นเอ๊อีพ่ออีแม่เอ๋ยนั่นนั่น น, นคำว่าอีพ่ออีแม่ก็คือคำภากีสาร ของก็ไม่ต้องเฝ้ากุญแจก็ไม่ต้องทาถ้ามีชิ้นห้าหมดโรคมดโรคมีชิ้นหา้าแล้วไม่ต้องท่องมากแล้วระามาตตาไหนก็ไม่ต้องท่องทองมากแล้ว ม, มีชิ้นห้าบอลลูนมดโรคชงคามไม่มีสาธาอาวุธก็ไม่มีมองดูหน้ากันก็สบายเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนลูกอันเดียวกันนี่ทุกคนเนี่ยมองดูหน้ากันไม่ค่อยไหานะมึงดีวะ โป้งเลยตายก็มีแต่ตายเสียงโป้งก็คือเสียงอะไรคือเสียงตายไม่ใช่เสียงเมตตาเสียงโป้งมีแตเหลี่ยมก็คือเมตตาไอ้ น, นั่นสำหรับแทงกันถ้าว่ามีสินห้าอยู่แล้วมันตายตามตอกห้อยลาวดอก็ไม่มีในพระนครหลวงหรือนอกจังหวัดก็ไม่มีหรือตามตอกห้อยลาวดอยก็ไม่มี ถึงจะมีก็แต่เป็นโรคเท่านั้นหรือแก่ชราเท่านั้นอันนี้วันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้อะไรต่ออะไรอุปสรรคปัญญาวิเศษเป็นเหตุให้ระอาให้เคล็ดลาบในวัฏสงสารเหตุฉะนั้นให้ทานรักษาศีลภาวนาจึงยินดีในพระนยพานไม่อยากจะยินดีในโรคทางปวงเพราะโรคทางปวงเต็มไปด้วยความแก่เก็บตาย ใคให้ทานรักษาชินภาวนาทำความดีอะไรๆก็ขอให้พ้นไปจากกองโลกทั้งหลายซะให้เข้าสู่พระานไปซะปล่อยให้สัตว์ทั้งหลายเขามาเกิดแทนมนุษย์ไปอีกพวกเราก็รีบเข้าสู่พระ涅槃ไปซะอย่าขวางเขาอยู่นี้ปล่อยให้เขามาเกิดบ้านกหนูปูผีกมันก็จะมาเป็นมนุษย์เหมือนกันถ้าเราขวางอยู่นี่แล้วเขาก็จะไม่มาเน่ย พเจ้าท่านไปสู่พระเนปานแล้วมากกว่าเม็ดหินเม็ดทรายในยท่อมหาสมุทรฝีมหาสมุทรผู้ที่จะไปข้างหน้าก็เหมือนกันนั่นผู้สร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วก็ต้องไปก่อนพวกเราสร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วพวกเราจึงได้มาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาผู้ที่ไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนามันมีมากไหมมันก็มีมากพวกเราที่ถือศาสนาพุทธเมีมากขนาดไหนนี่เอามือ ลงในแผ่นดินนี่มันติดอยู่ก็มีเท่านี้เองนี่ถ้าสีร้อยคนนี่ไม่ไม่มากนะเนี่ยผู้เขาไม่ถือพระพุทธศาสนาต้อามากมากเลยอี่นี่มือลงใส่แผ่นดินอย่างนี้ติดมือมาเท่านี้หละผู้ถือพระพุทธศาสนาผู้จะไปสุขติมีเท่านี้นอกนั้นก็ฝากไปพระเจ้าองค์หลังมันฝากอยู่ในตัวแล้วสรัพย์ทั้งหลายจะเข้าสู่พระ涅槃หมด นกหนูกูปีกมาแรงมากมาแรงมากอะไรก็เหมือนกันมันจะมาเป็นมนุษย์เสก่อนกีตับกี่กันมันจึงจะมาก็ไม่ทราบได้เหตุฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่มีขาดยุคขาดสมัยของโลกนะนะดอกบัวสีเหลาก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยของโลกดอกบานก็บานเต็มภูมิ ดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกเสมอนาม้าก็เสมอน้าเต็มภูมิดอกใต้นา้าก็ใต้น้าเต็มภูมิเราจะเป็นดอกชนิดไหนถ้าเราหากว่าบุญสร้างหัวมันเถอะมันเป็นตัวยังไงบุญถ้าเราจะพูดอย่างนั้นความเห็นชนิดนั้น ก็ไม่เป็นเครื่องอบอุ่นของใจเราเสียแล้วทำไมมันจึงไม่เป็นเครื่องอบอุ่นของใจเราเพราะเราสร้างบารมีแก่ก้ามาแล้วมันก็ไม่เป็นเครื่องอบอุ่นของเราสะถ้าเราอะไรทำบุญก็จึงเป็นเรื่องอบอุ่นของเราเหตุไหนยังเป็นอย่างนั้นเพราะเราสร้างบารมีแก่ก้ามาแล้วการทบสอบใครอยากไล่พระสดาบันก็เอาซะวันนี้ไม่ยาก ไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดศิ้นห้าไม่เสียดายอยากจะเลนอ บ, บายยมุกง่นภูมิพระโสดาบันถ้าอยากจะล่วงละเมิดศิ้นห้าแล้วอยากจะเลีนอบายยมุกโบก็ยังไม่ใกล้พระโสดาบันถ้าเสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดอยู่ก็ไม่ใกล้พระโสดาบันไม่เสียดายอยากจะจองเวรเลยไม่เสียดายอยากจะถือศาสดาอื่น ไม่เสียดายอยากค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นอะไรเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้นักปราชญ์ท่านไม่เสนอเสริญพระโสดาบันไม่เสียดายอยากประกอบเลยทําไมจึงไม่เสียดายอยากประกอบเพราะเห็นว่ามันไม่ไ ม, มีประโยชน์มีแต่ทางชิบหายตรงๆเรียก ว, าวารร่าได้ดวงตาเห็นธรรมท่านได้ดวงตาเห็นธรรมอย่างนั้น ดวงตาเห็นธรรมก็คือดวงปัญญานั่นเองไม่ใช่ตานอกๆ น, กนี่ตาปัญญาเพรารอบคอบในชั้นนี้แล้วเหตุนั้นพระโสดาบันจะตายเวลาไหนก็ไปสุขติไม่มนุษย์ก็สวรรค์มนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นสูงอีกเด้วยเปิดประตูพระนิพพานภายในตัวแล้วไม่ถอยหลังเลยถ้ายังไม่ถึงพระโสดาบันก็พายเรือในอ่างนั่นเอง มดไต่ขอบด้งบางทีเวลาใกล้จะตายระ ล, ลึกถึงกุศลผลบุญที่ตนทำไว้ก็ไปสุคติบ้างบางทีก็ไปนรกบ้างเมื่อไปสุคติแล้วหมดอานิสงส์ในสุคติก็มาเกิดเป็นสัตวติรชาหรืออะไรต่ออะไรอีกสารพัดวัดเหวี่ยงถอยหลังลงมาอีก เมื่อเวลาจะทําบุญกุศลไหว้สักเพียงใดก็าตามถ้ายังไม่ถึงพระโสดาบันเวลาเราลืมใต้จะตายมาเราลืมสักก็ต้องไปตกนรกเสียก่อนหมดอาสุริสงของนรกแล้วจึงจะมาได้มารับอเนกสง์ทานศีลภาวนาที่ตนทําไว้ไม่เหมือนพระโสดาบันนั่นแต่ดมดอเ น, นิสง์กวนเวียนเหมือนพายเรือในอ่างอีกเหวันกันเหตุฉะนั้นจึงให้ข้ามโลกีไปสักคือพระโสดาบัน เมื่อถึงสวดาบันแล้วพระสกทาคามีพระอนาคามีก็เปิดประตูไปเองไม่ถอยหลังเลยไม่แวะซ้ายแวะขวาเลยการความประพฤติความเห็นกวามมือนกันไม่ยอมถือศาสนาอื่นทำไมจึงไม่ยอมเพราะเห็นว่าคำสอนใดๆเป็นคำสอนที่ต่ำกว่าพระพุทธศาสนาทั้งนั้น ยอมเชื่อพระพุทธศาสนาสิ่งเดียวคุณพ่อคุณแม่คุณู่คนณยา่าคุณตาคุณยายคุณท่านผู้มีคุณมันเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาแล้วอันนั้นรวมเข้าในพระพุทธศาสนาไม่ขัดแย้งกันนะพระพุทธศาสนาไปรวมคิวที่พระเนพานาไปจบกันที่นั่นไปจบกันที่พระหันคือพระเนพาน คุณของพุทธศาสนาโลคุตระคุณบางต้นก็คือพระสวสดาบัณถ้ายังไม่ถึงพระสวสดิบันนั้นยังเป็นโลกีบุญอยู่ไม่แน่นอนเป็นโลกีบุญโลกีบาปบาปในพระสวสดาบันฑ์มีไหมบาปในพระสวสดิบันมีอยู่แต่สามารถจะทำให้เบาได้บาปสรกกาคามีก็าสามารถจะทำให้เบาได้ส่วนพระหันหมด พ้นไปแล้วนอนเราเป็นผู้ใจถึงทางทำดีหรือเป็นผู้ใจถึงทางทำชั่วถามเรารูส้สิเราชอบชั่วหรือชอบดีใครเป็นผู้สร้างให้เรานรกก็สัตว์ทั้งหลายสร้างไว้สวรรค์ก็สัตว์ทั้งหลายสร้างไว้ไม่ใช่เจ้าประภาชาธิ่ไตยไม่ใช่ ป, ใชประชาธี่ปตายจะไปสร้างบาปปูก็มีสิทธิ์แ้างบาปเหมือนกันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเรามีสิทธิ์สร้างความดี ประชาชนทปไตยไม่มีขอบเขตอันนั้นกูมีสิทธิ์จะเขาหัวคนอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกนะมีสิทธิจะรักของเขาเพราะประชาธิปไตยเนี่ยเขาประชาธิปไตยไม่มีขอบเขตอันนั้นประชาธิปไตยพีบ้าอันนั้นนะกรรมและผลของกรรมมันมีอยู่ถ้ากรรมและผลของกรรมมันมีเราก็ไม่ยอมเชื่อพระพุทธศาสนา ใครจะเห็นดีหรือไม่เห็นดีก็ตา ม, ตต ม, ม, รรารมกรรมและผลของกรรมมันมีอยู่คดีดําคดีแดงในโรงในศาลมันจบกเกษียณเป็นกรรมและผลของกรรมจบเกษียณไม่เป็นตามไปตนจนถึงชาติเข้าสู่พระนิพพานทําดีก็ได้ดีไปถึงชาติเข้าสู่พระนิพพานทําชั่วก็เหมือนกันตามไปเช่นพระบรมศาสตรา ไ, ไปวางยาเขาผิด ในเวลาท่านสร้างบารมีอยู่ยังไม่เป็นพระรพุทธมาสุพุตธิกเ้าคนไข้าตายเมื่อพระบรมศาสด า, า, าเป็นพระสมานิพุทธิเจ้าอย่างเต็มที่แล้วตวัม น, นี่ก็ตามไปถึงพระองค์บรรดาให้ไปฉันหมูง้วนผิดแล้วก็อาเกียนเป็นโลหิตถ่ายเป็นโลหิตสัดเซพณนจรไปเมืองกุเชนาราก็สิ้นลมพราณในวันนั้นตื่นเช้ามาเป็นวันอังคารใกล้ารุง่ง เป็นเดือนหกเพนก็สิ้นลมปรานในวันนั้นแต่มันตามไปหาพระบรมศราสดามันตามไม่ถึงมันก็ตามถึงแต่ร่างกายแต่จิตใจของท่านมันไม่มีเกี็แล้วมันก็ตามไม่ถึงเพราะเป็นคําอันไม่ตายแล้วแต่พวกเรามันตามอะไรมามันก็ได้ทางหนังทางเขาด้วยเพราะพวกเรายังไม่พ้นจา ก, กิเนล็ด ทำดีก็ทำให้ตัวคือใจทำชั่วก็ทำให้ตัวคือใจที่นีการทำดีการทำดีทาไมจึงจะไปเกียรติข้าศไม่ได้ทำให้คนอื่นหิวนอนก็นอนเองหิวน้ำก็ดื่มเองหายใจก็หายเองคนอื่นหายแทนไม่ได้เราเป็นเพียงที่บอกเท่านั้นพระบรมศาตราถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถจะสอนพวก ท่านพวกเธอพวกคุณพวกลูกลูกหลานได้ทำมีอยู่ก่อนเราจรึงสอนได้เศษนั้นเราจรึงเคารพทำพระบรมศารารไม่ใช่เราเป็นผู้แต่งทำเราเป็นผู้จำแนกทำเฉยๆจำแนกทำให้รู้จักนี่ทานนี่ศีลนี่ภาวัก็นี่ก็ชี้รองใส่ใจรอยพระบาทที่พระบรมสาราให้ไหว้ ที่เขาสุวรรณนามาเรียกหนึ่งที่เขาสุวรรณนาบันพอดีที่เขาชุมาละกูดก็ดีอ น, นั้นในรอยพระสูตรถูกแล้วรอยพระบาทท่าเหยียบไว้ที่นี่เหยียบความเหยียบทานเหยียบศีลเหยียบภาวนาให้ละความชั่วประพฤติความดีเนอนี่ท่านเหยียบไว้ที่หัวใจของพวกเรานี่นี่รอยพระบาทจริงอันนี้กฎหมายก็ตั้งอยู่ไว้ในที่กระดาษบาสก็เขียนตัวบอสระอาตปอไว้ที่ แต่เมื่อทําบาปแล้วตวบอสรากับตบอไปในรับบาปเนี่ยตัวนี้ในรับบาปเนี่ยทำบุญก็ตัวนี้ในรับบุญตัวใจของเราเนี่ย น, น, นั่นเป็นตําราเฉยๆตัวบาปตัวบุญอยู่ที่นี่บาปมันเป็นตัวยังไง ก็เป็นตัวหมดทั้งตัวเวลาทําเวลาเราทําบาปมันก็เป็นบาปทั้งหมดทั้งตัวทั้งใจของเราเวลาเราทําบุญก็เป็นบุญหมดทั้งตัวทั้งใจของเราสู๋สูไปภูเจ้าก็สู๋ได้อะไรบ้างกูก็ได้ไปนั่นสิมึงไม่ได้ไปมึงก็มาได้อันไม่ไปนั่นก็ตอบเขาอย่างนั้นสิกูได้ไปกูก็ได้ไปภูเจ้าก็กูก็ได้อันไปนั่นสิได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธธรรมสงสู๋อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ดวงใจสิก็ตอบเขาอย่างนั้น ไปไหนก็เอาไปด้วยว่าอย่างนั้นสู้ไปภูจ ก, ก็ไปเที่ยวซื้อได้อะไรก็ได้ไปกับทั้งได้บุญด้วยกับทั้งได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยพุทธธรรสงฆ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจว่าอย่างนั้นไปไหนก็เอาไปด้วยว่าอย่างนั้นตอบเขาอย่าไปโง่ขงเขาไอ้พวกคุณไม่ได้ไป ก, ก็พวกคุณได้อันไม่ไปนั้นสิ พวกี้ฉันไปดิฉันก็ได้อันไปนั่นมันก็บอกอยู่แล้วก็ไม่ควรสงสัยอนั่นบาปมีไหมบุญมีไหมผู้ถามก็เอาบาปเอาบุญมาถามเอาก้อนบาปก้อนบุญมาถามผู้ตอบก็เอาก้อนบาปก้อนบุญตอบก็ไม่ควรถามกันพูดอย่างนั้นวิญญาณมีจริงไหมถ้าเขาถามอย่างนั้นผู้ถามก็เอามโนวิญญาณถามผู้ตอบก็เอามโนวิญญาณตอบก็ไม่ควรถามกันตอบกันเขาจะว่าบ้าก็พูดอย่างนั้น เกิดแก่เก็บตายตายแล้วเกิดไหมก็พวกเราเอาก้อนเกิดมาพูดกันใช่ไหมก็ก้อนตายก็อยู่ที่นี่ก็ก้อนเกิดอยู่ที่นี่ผู้นี้เอาก้อนเกิดก้ตายมาถามผู้นี้ก็ก้อนเกิดก้อนตายตอบก็ไม่ควรถามกวตอบกันเขาจะว่าบ้าก็พูดอย่างนั้นสิพราะพระบรมศาสรามาสอนโง่ที่นี้สงสัยอะไรก็ถามกันมาอีกเว้ย ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงจริงจะถูกกับใจเพราะคนหนึ่งก็ชอบอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็ชอบอย่างหนึ่งปลารบอะไรมาบ้าเอา้าปลารบมาดูดูอถ้าจะนั้นให้พรนะ ยะถาวันิวะฮาปุราปริปุเรนติสะกะลัเอวเมวยตินงังเปตานังอุปกะปติอจิตังปจิตังตมงเกเมวมจตสเพูเรนตุสัสงกปาจันโทนารโสยถามณีโชติละโสยถาสพทีโยเยวจัจนาสปะทุะโคะโยโสะ สัพพะทุขสัพพะโยชน์พระโระโขวินัสสตโมาเตยภวัตตันตราโยสุขีตีกาโยโกพวะอภิวาตนาสีทิาาษษสานิ จ, จังมุตตาปัญญโญ จ, จตารุธรรมวัจันติอายุวโนสุขังภาังด้วยเดชพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณข่าไม่มีประมาณและก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เชื่อและไม่เชื่อเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี่ก็ดีที่มาในมาก็ดีจงประสบแต่ความสุขความเจริญในเบา พระพุทธศาสนาของพระสมัยพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบทุกท่วนหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเธอ